สวัสดีเหตุผลคำว่าเหตุผลนั่นน่ะก็คือสิ่งที่ตามความเป็นจริงเี่ว่าตามความเป็นจริงก็เหมือนกันกับสองบวกสองมันก็จะต้องเป็นสี่มันมีเหตุผลหรือว่าคนเราจะทำงานต่างๆเนี่ยกลัวแล้วแต่ต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ว่าศักธรรมหรือว่าคนที่จะพูดอะไรลงไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลในการที่จะพูดอะไรออกไปหรือในการที่จะบัญญัติหรือว่าวางแผนสิ่งใดก็ตามก็จำเป็นต้องหาเหตุผลมาโดยเฉพาะตัวของพวกเราทุกวันทุกวันเราก็จะต้อง ดูกันที่เหตุผลกันอยู่ตลอดและในขณะเดียวกันนั้นเหตุผลก็จะต้องมีสิ่งเท่เคู่กันคำว่าสิ่งที่คู่กันก็คือเป็นสิ่งที่คล้ายกันเมื่อมีเหตุผลเราก็ต้องมีการรับผิดชอบมีอยู่สองประการถ้ามนุษย์เรามีความ เข้าใจมีพลังจิตสามารถที่จะมีเหตุผลได้และมนุษย์เราและเข้าใจสามารถที่จะมีการรับผิดชอบได้คนเราจะมีความสุขคนเราจะสามารถดาเนินกิจการงานหรืออยู่ด้วยกันด้วยความสามา ถ, ถี่การท่ เราพากันแตกสามคัคคีกันนั่นเกิดขึ้นจากการที่ไม่ฟังเหตุผลต่างคนต่างที่ไม่รู้การรับผิดชอบเพราะฉะนั้น เ, ออเราจำเป็นที่จะต้องสร้างเหตุผลและการรับผิดชอบนี่ให้แก่พวกเราให้มากที่สุดความสามคัคคีจะเกิดขึ้นในครอบครัว ความสามัคคีจะเกิดขึ้นในสังคมความสามัคคีจะเกิดขึ้นในประเทศชาติก็ด้วยเหตุสองประการนี้และเหตุสองประการนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ ย, งง อ, อ, อย่างหนึ่งคือคนที่มีจิตใจเป็นธรรมอย่างหนึ่งคือคนที่จิตมีสมาธิ ถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วจิตเน่ก็จะผิดพลังจิตออกมาเมื่อผิดพลังจิตออกมาแล้วพลังจิตนั่นจะรวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันแล้วเหตุผลและการรับผิดชอบจะเกิดขึ้นพลังจิตมีน้อยเหตุผลและการรับผิดชอบก็มีน้อย ถ้าหากว่าพลังจิตนี้มีสูงขึ้นเหตุผลและการรับผิดชอบก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นรวมความว่าถ้าเราอุตส่าห์พยายามช่วยการฟื้นฟูรณรงค์ในการที่ให้คนภาการภากานทาสมาธิให้มากที่สุดพลังจิตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาเอง การมีเหตุผลก็จะเกิดขึ้นมาเองการรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นมาเองในขณะนี้มีอยู่สำนักหนึ่งที่เขากำลังรณรงค์ถึงเรื่องวิธิศาสมาธิวิธิศาสมาธินั่นน่ะก็คือการเทมาทำสมาธิไม่ต้องมาก เพียงแค่ครั้งละห้านาทีแต่ว่าวันหนึ่งจะต้องทำสามครั้งเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นเราก็มาทำสมาธิเช้ากลางวันเย็นก็เรียกว่าวิจิสาคือไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแม้อยู่ในห้องน้ำก็ทำได้ถ้าว่างไม่อยู่ใน ที่ไหนเราก็ทำได้เมื่อเวลาขึ้นรถไปมีคนขับรถให้เราก็ทำได้เพียงแค่ห้านาทีให้แก่ตัวของเรานั่นก็เรียกว่าวิทิสาสมาธิในขณะนี้เขาได้มีการรณรงค์กันเพื่อที่จะให้คนทำสมาธิให้ง่ายที่สุดก็คือให้ทำวิทิสาสมาธิ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักเรียนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวร่ชาวนาไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในสถานะอาชีพใดสามารถที่จะทําวิทิสาสมาธิทําสมาธิห้านาทีได้ทั้งนั้น เราลองคิดดูถ้าหากว่าเราทำวันละสิบห้านาทีเดือนหนึ่งเราได้ถึงสี่ร้อยกว่านาทีรวมกันแล้วก็ได้ถึงเจ็ดชั่วโมงซึ่งไม่ใช่น้อยถ้าหากว่าทำไปทุกวันทุกวันแล้วพลังจิตก็จะเพิ่มเป็นอัตโนมัติการรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นการรับผิดชอบสูง การมีเหตุผลก็จะเกิดขึ้นความสามารคเียแก่คนในครอบครัวในสังคมและในประเทศชาติก็จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการที่เราได้พาการสร้างพลังจิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีความจริงว่าพลังจิตนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเพราะว่าพลังจิตนั้นมีทางเกิดได้ทางเดียวก็คือสมาธิ ทางอื่นนั่นเกิดไม่ได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีค่าที่สุดสำหรับพลังจิตนั่นทำไมถึงเรียกว่ามีค่าที่สุดก็เพราะว่าเรามีเงินเป็นล้านล้านเราอยากได้พลังจิตจะไปซื้อเอามันไม่ได้เลยแม้แต่ยูนิตเดียวแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณต้องการอยากได้พลังจิตคุณก็ต้องทำขึ้นมาเอง ทำแล้วมันก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าแก่ชีวิตนอกจากนั้นก็ยังจะทำให้จิตใจนี่มีความสุขมีความ อ, อิ่มอยู่ในจิตใจว่าเราได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวของเราไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายต้องการความสุขสวัสดีแล้วก็พยายาม สรางพลังกิจกานเส ด, ด็จสวัสดีสาธุ